ระไตรบิดกเล่มที่สิองมหาเวทันลสูตรการสนทนาธรรมที่ทําให้เกิดปัญญาสูตรใหญ่ตัวอย่างการสนทนาธรรมของพระอริยสาวกซึ่งภิกษุควรดูเป็นเยี่ยงอย่างพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่าเมื่อสนทนาควรสนทนาด้วยเรื่องธรรมะเท่านั้นไม่ควรสนทนากันด้วยเดรัจฉานกถาหรือเรื่องทางโลกและถ้าไม่สนทนาธรรม ให้อยู่ด้วยความนิ่งคือทำสมาธิเจริญสติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอบรามของอนาถบาินธิกะเศรษฐีเกตกรุงสาวกีครั้นในเวลาเย็นท่านพระมหากุฎิกะออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปหาท่านพระสาวรีบุตรถามเรื่องนี้กับท่านพระสาวรีบุตรว่าท่านผู้มีอายุเพราะเหตุไร จึงเรียกบุคคลนั้นว่าผู้มีปัญญาสามการถามนั้นมี5อย่างคือ 1. อึ่อิทธโชตนาปุจฉาการถามให้แสดงเรื่องที่ตนไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มาก่อน 2. อิท ธ, ธะสังสันธนาปุจฉาการถามให้ชี้แจงเรื่องที่เคยทราบมาแล้วเพื่อเทียบเคียงกันดูกับเรื่องที่ตนรู้มา 3. วิมติเชธนาปุชชาการถามเพื่อให้คลายความสงสัย 4. อนุมติปุชชาการถามเพื่อให้มีความคิดเห็นคล้อยตาม 5. กเทตุ ก, กามายตาปุชชาการถามเพื่อมุ่งจะ ก, กล่าวชี้แจงต่อเป็นลักษณะของการถามเองตอบเองสำหรับในพระสูตรนี้พระมหากฎิกะ ถามในลักษณะของทิฏฐะสังสันนาการถามให้ชี้แจงเรื่องที่เคยทราบมาแล้วเพื่อเทียบเคียงกันดูกับเรื่องที่ตนรู้มาท่านพระมหาโกติกะถามเรื่องนี้กับท่านพระสาวรีบุตรว่าท่านผู้มีอายุเพราะเหตุไรจึงเรียกบุคคล น, นั้นว่าผู้มีปัญญาสามท่านพระสาวรีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุ บุคคลไม่รู้ชัดเหตุนั้นจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาซามบุคคลไม่รู้ชัดอะไรคือไม่รู้ชัดว่าน้ทุกน้ทุกขะสมุทยัยน้ทุกขะนิโรดน้ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาท่านพระมาหากฏิกาชื่นชมยืนดีภาสิทธิ์ของท่านพระสาวรีบุตรและได้ถามปัญหาต่อไปว่าเพราะเหตุใด จึงเรียกบุคคลว่าผู้มีปัญญาบุคคลรู้ชัดเหตุนั้นจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาบุคคลรู้ชัดอะไรคือรู้ชัดว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรดนี้ทุกขะนิโรธค ข, ขามิมนีปฏิปทาสภาวะที่เรียกว่าวิญญาณเพราะเหตุอะไรจึงเรียกว่าวิญญาณ สภาวะรู้แจ้งเหตุนั้นจึงเรียกว่าวิญญาณสภาวะรู้แจ้งอะไรคือรู้แจ้งสุขบ้างรู้แจ้งทุกบ้างรู้แจ้งอทุกข์ขมสุขบ้างคือไม่ทุกข์ไม่สุขปัญญาและวิญญาณสองประการนี้รวมกันหรือแยกกันและสามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้หรือไม่ตอบว่า ปัญญาและวิญญาณสองประการนี้รวมกันไม่แยกกันและไม่สามารถแยกยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้เพราะปัญญารู้ชัดสิ่งใดวิญญาณก็รู้แจ้งสิ่งนั้นวิญญาณรู้แจ้งสิ่งใดปัญญาก็รู้ชัดสิ่งนั้นเหตุนั้นธรรมะสองประการนี้จึงรวมกันไม่แยกกันและไม่สามารถแยกยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้ ปัญญาและวิญญาณสองประการนี้รวมกันไม่แยกกันแต่มีกิจที่จะพึงทำต่างกันบ้างหรือไม่ตอบว่าปัญญาและวิญญาณสองประการนี้รวมกันไม่แยกกันแต่ปัญญาควรเจริญวิญญาณควรกาหนดรู้ปัญญาในที่นี้หมายถึงมรรคปัญญาปัญญาในอริยมรรคส่วนวิญญาณในที่นี้ หมายถึงวิปัสสนาวิญญาณปัญญาควรเจริญวิญญาณควรกำหนดรู้นี้เป็นกิจที่จะพึงทำต่างกันแห่งธรรมะสองประการนี้สภาวะที่เรียกว่าเวทนาเพราะเหตุอะไรจึงเรียกว่าเวทนาตอบว่าสภาวะเสวยอารมณ์เหตุนั้นจึงเรียกว่าเวทนา สภาวะสวยอารมณ์อะไรคือสวยอารมณ์สุขบ้างสวยอารมณ์ทุกบ้างสวยอารมณ์อนุทุกข์มสุขบ้างสภาวะที่เรียกว่าสัญญาเพราะเหตุอะไรจึงเรียกว่าสัญญาสภาวะกำหนดหมายเหตุนั้นจึงเรียกว่าสัญญาสภาวะกำหนดหมายอะไรคือกำหนดหมายสีเขียวบ้าง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 และไม่สามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้เพราะเวทนาสวยอารมณ์สิ่งใดสัญญาก็กำหนดหมายสิ่งนั้นสัญญากำหนดหมายสิ่งใดวิญญาณก็รู้แจ้งสิ่งนั้นพระโยคาวจรผู้มีมโนวิญญาณอันบริสุทธิ์สละแล้วจากอินทรีห้าจะพึงรู้อะไร มโนวิญญาณในที่นี้หมายถึงจิตในฌานที่สี่อันเป็นไปในรูปาวจรภูมิตอบว่าพระโยคาวจรผู้มีมโนวิญญาณอันบริสุทธิ์สละแล้วจากอินทรีห้าพึงรู้อากาศานาัญจายตนะฌานว่าอากาศหาที่สุดมิได้พึงรู้วิญญาณัญจายตนะฌานว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ พึงรู้อากินจัญญายตนะฌานว่าไม่มีอะไรข้อความนี้หมายถึงประโยคาวจรผู้บำเพ็ญเพียรอาศัยมโนวิญญาณกล่าวคือรูปราวจรชฌานาจิตในฌานขั้นที่สี่เป็นพื้นฐานจึงจะสามารถบำเพ็ญให้อรูปราวจรสมาบัติที่หนึ่งคืออากาสาร น, นจายตนะสมาบัติให้เกิดขึ้นได้ สามารถให้อรูปราวจรสมาบัติอื่นเกิดขึ้นต่อมาตามลำดับถามว่าพระโยคาวจรย่อมรู้ธรรมะที่ตนจะพึงรู้ด้วยอะไรตอบว่าพระโยคาวจรย่อมรู้ธรรมะที่ตนจะพึงรู้ด้วยปัญญาจักสุปัญญาจักสุในที่นี้หมายถึงสมาธิปัญญาและวิปัสสนาปัญญา สมาธิปัญญาทำหน้าที่กำจัดโมหะวิปัสสนาปัญญาทำหน้าที่พิจารณาไตรลักษ์เป็นอารมณ์ปัญญามีไว้เพื่ออะไรตอบว่าปัญญามีไว้เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อการกำหนดรู้และเพื่อการละปัจจัยให้เกิดสมาธิทฐิมีเท่าไหร่ตอบว่า ปัใจจัยให้เกิดสมาธิทิมีสองประการคือหนึ่งประโตโศะการได้สดับจากผู้อื่นประโตโศะในที่มีหมายถึงการฟังธรรมะเป็นที่สบายเหมาะสมแก่ตนปัใจจัยให้เกิดสัมมาสมาธิประการที่สองคือโยนิโสมนสิการการมณสิการโดยแยบคายปัใจจัยให้เกิดสัมมาสมาธิ มีสองประการนี้แหละถามว่าสัมมาทิฏฐิซึ่งในที่นี้หมายถึงอรหัตตมัคคสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิซึ่งมีเจโตวิมุตเป็นผลและมีเจโตวิมุตเป็นพลานิสงมีปัญญาวิมุตเป็นผลและมีปัญญาวิมุตเป็นพลานิสงเรามมีองค์ธรรมเท่าไหรสนับสนุนตอบว่า สัมมาทิฏฐิซึ่งมีเจโตวิมุตตเป็นผลและมีเจโตวิมุตตเป็นพลานิสงมีปัญญาวิมุตตเป็นผลและเป็นพลานิสงเพราะมีองค์ธรรมหประการสนับสนุนคือ 1. มีศีลสนับสนุนศีลในที่นี้หมายถึงปาริสุทธิศีลสี่เพราะปาริสุทธิศีลสี่เป็นประทัศฐานแห่งการบรรลุอริยมรรคสมีสุตตะ สนับสนุนสุตตะในที่นี้หมายถึงการฟังธรรมะที่เป็นสปายะมีความหมายเท่ากับวราโตโคสะ 3. ม, มีสากัดฉาสนับสนุนสากัจฉาหมายถึงการปรับกรรมฐานให้เกิดความเหมาะสม 4. มีสมถะสนับสนุนสมถะหมายถึงสมาบัติที่เป็นพื้นฐานแห่งวิปัสสนา และหมีวิปัสนาสนับสนุนวิปัสนาหมายถึงอนุปัสนาเจประการสัมมาทิฏฐิซึ่งมีเจโตวิมุติเป็นผลและเป็นพลานิสง์มีปัญญาวิมุตเป็นผลและเป็นพลานิสง์เพราะมีองค์ธรรมห้าประการนี้แลสนับสนุนถามว่าพบมีเท่าไหร่ตอบว่า พบมีสาคือการมาพบรูปประพบและอรูปประพบการเกิดในภพใหม่ต่อไปมีได้อย่างไรตอบว่าเพราะความยินดียิ่งในอารมณ์นั้นๆของเหล่าสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องขีดกัก้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกพันไว้การเกิดในภพใหม่ต่อไปย่อมมีได้อย่างนี้ การเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีได้อย่างไรตอบว่าเพราะอาวิชชาสิ้นไปเพราะวิชาเกิดขึ้นและเพราะตัณหาดับไปการเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปไม่มีได้อย่างนี้ถามว่าปฐมฌานเป็นอย่างไรตอบว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้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 เอกัคะตาปทมาชาญมีองค์ห้าอย่างนี้ปทมาชาญละองค์เท่าไหร่ประกอบด้วยองค์เท่าไหร่ตอบว่าปทมาชาญละองหา้าประกอบด้วยองหา้าคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าปทมาชาญละกามฉันทะละพยาบาทละหินามิทะละอุทธจกักอุกุจจะ ละวิจิกิจชาได้แล้วย่อมมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขและเอกคตาปฐมฌานละองค์5ประกอบด้วยองค์5อย่างนี้ถามว่าอินสีห้าประการนี้คือจากขุนซีโสตินรีคาณินรีชิวหินรีและกายินรีมีอารมณ์ต่างกันมีที่เที่ยวไปต่างกัน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 อันเป็นที่เที่ยวไปแห่งอินทรีย์เหล่านั้นถามว่าอินทรีย์าประการนี้คือจากขุนศีโสตินทรียคานอินทรีย์จิวหินทรีย์และกายะอินทรีย์อินทรีย์าประการนี้อาศัยอะไรดํารงอยู่ตอบว่าอินทรีห้าประการนี้อาศัยอายุดํารงอยู่อายุในที่นี้หมายถึงรูปชีวิตอินทรีย์ อายุอาศัยอะไรดำรงอยู่อายุอาศัยไอายุน์ดำรงอยู่ไออุ่นหมายถึงเตโชธาตที่เกิดจากกรรมไออุ่นอาศัยอะไรดำรงอยู่ไออุ่นอาศัยอายุดำรงอยู่ผมรู้ทั่วถึงภาษิตของท่านพระสารี บ, บุตรในบัทนี้เองอย่างนี้ว่าอายุอาศัยไออุ่น์ดำรงอยู่ และอายุนอาศัยอายุดำรงอยู่แต่ผมจะพึงเข้าใจความแห่งพาสิดนี้ได้อย่างไรพระสารีบุตรตอบว่าถ้าเช่นนั้นผมจะอุปมาให้ท่านฟังเพราะวิญโยชนบางพวกในโลกนี้ย่อมทราบความแห่งพาสิทธได้ด้วยอุปมาเมื่อประทีปน้ำมันกำลังติดไฟอยู่แสงสว่างอาศัยเปเลวไฟจึงปรากฏ เปเลวไฟก็อาศัยแสงสว่างจึงปรากฏอยู่แม้ฉันใดอายุอาศัยไออุ่นดำรงอยู่ไออุ่นก็อาศัยอายุดำรงอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันถามต่อไปว่าอายุสังขารกับเวทนียธรรมหรือเวทนาธรรมเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันตอบว่า อายุสังขารกับเวทนิยธรรมไม่เป็นอันเดียวกันถ้าอายุสังขารกับเวทนิยธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วการออกจากสมาบัติของภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทายตะนิโรธก็ไม่พึงปรากฏแต่เพราะอายุสังขารกับเวทนิยธรรมต่างกันฉะนั้นการออกจากสมาบัติของภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทายตะนิโรธจึงปรากฏ ถามว่าเมื่อธรรมะเท่าไรละกายนี้ไปกายนี้จึงถูกทอดทิ้งนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ที่ปราศจากเจตนาตอบว่าเมื่อธรรมะสามประการคืออายุอายุายนและวิญญาณวิญญาณในที่นี้คือจิตถ้าอายุอายุนและวิญญาณละกายนี้ไปกายนี้จึงถูกทอดทิ้ง นอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ที่ปราศจากเจตนาสัตว์ผู้ตายคือทำกาละไปแล้วกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวท้ิยตาดิโรดต่างกันอย่างไรตอบว่าสัตว์ผู้ตายคือทำกาละไปแล้วมีกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกวัจีสังขารคือวิปกวิจารและจิตตสังขาร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 กับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทายตานิโรธต่างกันอย่างนี้ปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตตซึ่งไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีเท่าไหร่ตอบว่าปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตตซึ่งไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสี่ประการคือหนึ่งเพราะละสุขได้ 2. เพราะละทุกข์ได้ สเพราะโสมานัตดับไปก่อนและ 4. เพราะโทมนัตดับไปก่อนแล้วภิกษุในพระธรรมวินัยนี้จึงบรร ล, ลุจตุทตะชาญซึ่งไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุติซึ่งไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสีสส่ประการนี้แลปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุมมมมมนนติ ซึ่งไม่มีนิมิตมีเท่าไรข้อนี้หมายถึงการออกจากนิโรธสมาบัติด้วยพละสมาบัติซึ่งเป็นผลเกิดจากวิปัสนาตอบว่าปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตตซึ่งไม่มีนิมิตมีสองประการคือ 1. การไม่มณสิการถึงนิมิตทั้งปวงในที่นี้หมายถึงอารมณ์มีรูปเป็นต้น2 การมนาสิกาถึงนิพพานธาตุซึ่งไม่มีนิมิตหมายถึงการมนาสิกาถึงธรรมะที่เกิดร่วมกับพละสมาบัติปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตซึ่งไม่มีนิมิตมีสองประการนี้แลปัจจัยแห่งการตั้งอยู่แห่งเจโตวิมุตซึ่งไม่มีนิมิตมีเท่าไหร่ตอบว่าปัจจัยแห่งการตั้งอยู่แห่งเจโตวิมุต ซึ่งไม่มีนิมิตมี3ประการคือ 1. ไม่ม น, นัสสิการถึงนิมิตทั้งปวง 2. องม น, นัสิการถึงนิพพา น, นธาตุซึ่งไม่มีนิมิตและ 3. อภิสังขารในเบื้องต้นอภิสังขารในที่นี้หมายถึงการกําหนดระยะเวลาอยู่ในสมาธิปัจจัยแห่งการตั้งอยู่แห่งเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีนิมิตมี3ประการนี้แหล ปัจจัยแห่งการออกจากเจโตวิมุตต์ซึ่งไม่มีนิมิตมีเท่าไหร่ตอบว่าปัจจัยแห่งการออกจากเจโตวิมุตต์ซึ่งไม่มีนิมิตมีสองประการคือหนึการมานสิการถึงนิมิตทั้งปวง 2. การไม่มานสิการถึงนิพพานธาตุซึ่งไม่มีนิมิตปัจจัยแห่งการออกจากเจโตวิมุตต์ซึ่งไม่มีนิมิตมีสองประการนี้แหล ท่านผู้มีอายุธรรมะเหล่านี้คืออปปมานาเจโตวิมุตตอากิญจัญญาเจโตวิมุตตสุญญาเจโตวิมุตตอนิมิตาเจโตวิมุตตมีอัฏถ์ต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอัฏถอย่างเดียวต่างกันแต่พยัญชนะและเพราะอาศัยเหตุใดธรรมะเหล่านี้จึงมีอัฏฐ์ต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นมีอยู่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 ไม่มีความเบียดเบียนอยู่นี้เรียกว่าอัปมานาเจโตวิมุตตอากินจัญญาเจโตวิมุตต์เป็นอย่างไรคือเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกยุสูในพระธรรมวินัยนี้บรรลุอากินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เรียกว่าอากินจัญญาเจโตวิมุตต์ สุญญตาเจโตวิมุตเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวิัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่คนไม้ก็ดีเปรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้ว่างจากตนบ้างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนบ้างนี้เรียกว่าสุญญตาเจโตวิมุตอินนีมิตาเจโตวิมุตเป็นอย่างไร คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรลุอนิมิตตาเจโตสมาธิเพราะไม่มนาสิการถึงนิมิตทั้งปวงอยู่นี้เรียกว่าอนิมิตตาเจโตวิมุตตเพราะอาศัยเหตุใดธรรมะเหล่านี้จึงมีอัฏฐต่างกันและมีพยันชนะต่างกันเหตุนั้นเป็นอย่างนี้แลเพราะอาศัยเหตุใด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 เหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เจโตวิมุตต์อันไม่กําเริบพระภู้มีพระภาคตรัสว่าเลิศ ก, กว่าอัปปานาเจโตวิมุตต์ที่มีอยู่เจโตวิมุตต์อันไม่กําเริบนั้นว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะราคะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวลโทสะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวล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 ท่านผู้มีอายุเจโตวิมุตต์อันไม่กำเริบพรกผู้มีพระภาคตรัสว่าเลิศ ก, กว่าอนิมิตตาเจโตวิมุตต์ที่มีอยู่เจโตวิมุตต์อันไม่กำเริบนั้นว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะเพราะอาศัยเหตุใดธรรมะเหล่านี้จึงมีอัฏฐะอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยานชนะเท่านั้นเหตุนั้นเป็นอย่างนี้แล อัปปามานาเจโตวิมุตต์ได้แก่ธรรมะสิองประการคือโพภมวิหารสีมรซีผลสีโภมวิหารชื่อว่าอัปปามณะเพราะแผ่ไปหาประมาณไม่ได้ธรรมะที่เหลือชื่อว่าอัปปามณะเพราะไม่มีกิเลสเป็นเครื่องวัดอากินจัญญาเจโตวิมุตต์ได้แก่ธรรมะเกประการคืออากินจัญญายตนะหนึ่ง มัคซีและผลซีอากินจัญญายตนะชื่อว่าอากินจัญญาเพราะไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเป็นอารมณ์มัคละผลชื่อว่าอากินจัญญะเพราะไม่มีกิเลสเครื่องกังวลคือกิเลสเครื่องย่ำยีและกิเลสเครื่องผูกสุญญาตาเจโตวิมุตติได้แก่ความหลุดพ้นโดยว่างจากราคะโทสัพ โมหะเพราะพิจารณานามรูปโดยความเป็นอนัตตาอันนมิตาเจโตวิมุตตได้แก่ธรรมะส3บประการคือวิปัสสนาหนึ่งอรูปสี่มักสี่และผลสี่